ความทุกข์ทำมีแต่ละคนอยู่กันคนละหุนละแหน่พอมาเป็นเครื่องสะดุดใจอะไรมากนะแต่ถ้ารวมมันเข้ารวมมันเข้ารวมมันเข้ากลายเป็นสังคมแห่งทุกข์กลายเป็นครูเรือนแห่งกองทุกข์ กลายเป็นบ้านหนึ่งกลองทุกเมืองหนึ่งกองทุกในเมืองหนึ่งเต็มไปด้วยกองทุกอย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกโลกเป็นกองทุกเป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกลางแห่งกองทุกคือเมื่อรวมมันเข้า ม, ามัน เ, เป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความเฉลุดภายในใจิตใจ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 จนหน้ามีแต่ค น, คนทุกข์ทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกทั้งทางร่างกายและ จ, จิตใจผู้เกี่ยวข้องก็ทุกทาง จ, จิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้กเป็นส่วนมากเขาเป็นคนทุกข์ทางด้าน จ, จิตใจเกินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกข์ห้องคนจนกอกจนมึน อุปยี่ยมหรืยี่ยมคนจนกรบเป็นมุมต้นเด้งก็เลยกลายเป็นคนจนกอบอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยอ น, นอกจากนั้นก็นยังห้องหนึ่งหนึ่งขอ ง, งโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เก็บตัวคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยไถ่เดียวทนมาไหวมันจุดกําลังของหมอของยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นนัน แต่และห้องละห้องมันจะเป็นห้องของคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแซกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิด ค, ความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลํำดับแม่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟแล้วเท่านั้นเราก็พบตรงนี้จังทุกขังหน้าตาได้แล้วก็เป็นป่าช้าของตัดเป็นไปหมดไม่ทราบว่าเผากันมาตังเมื่อไหร่ แต่เราถือเป็นอาหารจึงไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามที่ว่าตัดแล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นเราถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยคิดและไม่ได้คิดว่าสถานที่นั้นเป็นป่าช้ามัน มีที่แน่ความรู้สึกเท่นั้นถ้าความรู้สึกคิดไปแง่ใดผลมันก็ทําตามกันไปถ้าเกิดความยาขยาขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหานันเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแน่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนไม่ให้มีความประมาท ใ น, นวันนี้ที่ไปแจกสินคองเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นนหละหลังไหลกันออกมาตาจดเจ้ามองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความะสมงบังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสินค้งก็โอ้โหน่าทุเรศน้าสงเสืนเ่นาสงสารหน้าสง ส, ส, สารนะมากทีเดียว มันสาบออกมาจากทิศไหนแดนในทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างจนจหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่ได้รับความทุกข์ความลาบากเมื่อมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในปิตจใจทนดูไม่ได้ก็ต้องออกมาไม่ว่าเด็กมาืว่าผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมด ในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบันเทานันได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจเพราะสมหวังเป็นเครื่องบันเทาทุกซึ่งคืนนี้จะความหนาวแม้แต่น้าอยู่ตามปกติแต่ความอบอุ่นคนรู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่ม อ, อาหารการกินก็เหมือนกันเห็นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกาลังหมด มันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ในรับความขุดความเบาใจเย็นใจความปีติียินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของมาได้น้อยแจกมากม า, กายก่ายกองคนที่มานั่งก่อนรู้สึกผสมบังด้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่คืการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนานบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งอดูในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รับนะผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจดังลายเป็นถิ่นกำนังตาล่วงดัขึ้นมองเห็นแล้ว อำนาจแห่งการสงเคราะห์กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสําคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้ไดมีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ทานหมมาห่มมา น, นี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของกลัวมาให้ เพราะคนเรามีความตึกตื้นนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รับ ก, ก็มีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรับนะเรื่องของทานจริงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดรมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้ เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนหากว่ามดการให้ทานนี่เสียการเสียสลัดเพื่อกันมากันกนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปได้เพราะสัตว์เขาก็ทําต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์ก็ให้ลูกเขาเยังลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ กินโดยการเชิญมุดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมุดง่ามมุดลิ้นอะไรนี่เขนไปไว้ในรูแล้วเขก็กินด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเชื้อสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยทานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความเพึ่งพิมพ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ี่เรียกว่าความเยึยสืะต่อกันพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระวรมีเพื่อโพธิสังาขานก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลํำดับจนกระชอนยุทธิศักดิ์กิทธคุณของพระองค์พระองค์นี้เวลามาแต่สรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทามาให้ทานแม้คือปุถุคุด า, าก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีแต่ ของทิพที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องกนี่ไม่ต้งร้องขอจากใครใครใครก็มีความเชื่อความนมตไสอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาหรือในที่ชุมนุมกันว่า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 แม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดชด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยผลงามความดีทั้งหลายมีทานอมรมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอะท่านไหวอย่างนั้นการให้ทานจงเป็นสิ่งจําเป็น อยื่มากมายสําหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่กระยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสยัยฝังอยู่ภายนจิตใจยิ่งมีคนแนะนําสั่งสอนดูอบรมให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมุ่นขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละ นอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั่งไม่อดยากขาดแทนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุกเพชาเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระสิโยรีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดนี้แต่คนถวายวัดเทิดทปัจจัทียนทานเต็มไปหมดตามถนนวนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองที่หนึ่ง ในเรื่องอติยกรามมากก็คือพระโมคคันก็ก็คือพระสีวลีเมื่ออดิตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสลายไปที่ไหนมีตการให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อั้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนนี้จะมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดล่งในการให้ทานขอแต่มีพอและให้ทานเป็นให้ทาน เป็นนิสัยมาโดยลำพเพราระฉะนั้นเดลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัิเดกลาฟไม่มีองค์ใดองค์ใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นี่เป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระพระสาวกที่เป็นพระหารด้วยกันจึงมีเอธรักะคือความเลิศต่างกันไม่ค่ายจะซ้ำกันเนื่องจากเจดินิสัยที่มีความหนักแน่น ในแง่ต่างๆแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอิทธิเ ล, ลกันลาภเพระเยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันยิ่งเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านถึงความท้นทุกข์แต่สิ่งที่ที่ด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่ด้อยก็คือ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 ไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทาไปเองนั่นทันอยู่มันเป็นเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นปนิสัยแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์ในเบื้องต้นอยู่กองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละลายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปคนละสู้ทายถ้ามารวมกันจา น, นวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสลดสังเวียนมากขึ้น เมื่ทั้งกลายเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างกองทุกข์ไปด้วยทันเสียสิ้นแล้วก็โลกนี้ไมนมีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทําไมไมีเพียงแต่กองทุกข์นี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดวเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้นะครันนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้น ถ้าผู้จะทําให้ตัวให้พ้นไปเยอะจากกองทุกข์ไม่มีความยืดเยื้อในอันใดเลยเราเห็นความทุกข์เป็นภายตอตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เล่งความภาคเพลยนอย่างอะไรอะไรก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพลินวามมากความมุสาพยายามความอดความทนก็มากไปทำตามกันเพราะความอยากพ้นสติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำ ด, ดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วไม่ไมเป็นอย่างนั้นเขามีความสุขบ้างเล็กน้อยก่อนนอนใจไปเสียเช่นเดียวกคนไม่มีความฉลาดาหาเงินมาได้บาทสองบาทก่อะพยายามเก็บหอมนอมิดก็ไม่ซื้ออะไรเพลินไปจำเป็นไม่จำเป็นก็ ไม่สนใจขอแต่ให้ได้ซื้อจนกลายเป็นนิสัยอย่างการซื้อการจับจ่ายโดยไม่ น, นึงถึงเหตุถึงผลถึงความจําเป็นเวลาจนกรอบสมมุมมาก็หาทางไปไม่น่าเหมือนกันอีกคนคิดเห็นเฉพาะสซตรวรล้อนไม่คิดคาดการไกลหรือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่บูติช้าสติปัญญาก็ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจําเป็นจ่ายซับสินใดก็เห็นก่อมจำเป็นในสิ่งนั้นได้เป็นผลเ ป, นเป็นประโยชน์จากความ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 คืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากค่าสึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งกินหรือจบกินยินเล่าไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องใคร่ควรต้องพิมพิจณาและสั่งสมหรือบู้ษมบำเพ็ทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปได้พร้อมสม่เสมอกัน คนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับวัตถุอ้าวมีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สร้างไว้แล้วด้วยเวลาพักพรากจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญตนหนึ่งแล้วเราก็ได้อาศัย สมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนใจบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมะริพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติทันไม่ตกไปที่ชั่วนะ อะไรคำว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละที่พึง ป, ปรารถนานี้อะไรเป็นส้างอย่ให้ไปเกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้อย่าง น, นี้เราก็พยายามบําเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเราไม่ให้มีความประมาทวันคืนปีเดือนอล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่ําเสมอ ความสาคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับบานคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสาคัญแล้วษายอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความแร็งแร่ปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายแล้วก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเป็นความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ทุนี้เชื่อเป็นผู้ถากถางอุปทา ง, ง, ท, างทั้งปัจจุบันแอ น, นาคตให้ตน ไม่สร้างควากสร้างน้ําไม่ตากเสียดทนเองตรงนี้ก็มีความรื่นเริงอิทนานันตติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเติงเป็นอินานตัตติแล้วโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหนาเป็นสิ่งที่ปู่นั่นจะประณรับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอาํานาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้ว เนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้ น, น, นท่านหาของดีท่านได้ของดีแล้วก็มาแจกสารโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบในสิ้นยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจริงคำสอนคำแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุความจริงหรือหลักความจริง เราถ้าจะพูดกันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูงอกตาบอดทำมาเชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราไปจะไปเชื่อใครความโง่มันก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มในภายนหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้มันงั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาเบาปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออก จิต ใ, ใจเรามีความสว่างสวัยเชื่อพธธระพุทธเจ้ากุมมีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักทำที่ว่าพุทธังสนังะฉามิให้ถึงใจปักเป็นปักตายกับท่านธรรมสนังะฉามิเป็นธรรมประเสริฐเดินโลกจะเกิดขึ้นจากการประปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะกล้าเข้าสู่ธรรมมันเกษมเนี่ยสังฆังสนังกฉานนี้ท่านเดินหน้าเราแล้วเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับท่านอันนี้เป็นผู้ที่พ้นทุกไปแล้วตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านแล้วก็ตามรอยทั้งของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติตดีอยู่ที่ไหนทห่านมีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจกิเลส ก, ก็กลัว แม่ใช่ว่ากิเลสจะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าของกลัวเป็นธรรมดาทำอันหมดกิเลสแล้วเป็นแคาความกล้าก็มีความกลัวก็มีมีแต่ความเสมอภาคมีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่มีงามอยู่อย่างนั้นตลอดไปมีไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นไปย า, ยามอีกหนึ่งวขวนขวาย ลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหาจะออกอยูเหมือนไม่งหมดก็ตามแต่มันหมดไปในหลักธรรมชาติของมันทีละเล็กน้นนอยโดยลําดับแล้วเอากลับกืนมาไม่ได้แล้วเมื่อหมดไปหมดไปมันก็มันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดอเอาเสียรจริงๆจนไม่มีอะไรเหลือน่ะเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วถ้าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าคนตาย ให้มันตาตั้งแต่ร่างกายปิดใจอยากมันตาจากคุณงามความดีอาได้เกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสัมพันธ์ก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบำรุงพยายามลุ้อฟืน้นขึ้นมาให้เด่นดวงพานจิตเนี่ยท่านมาสมบัติอันประเสริคือใจ สมบัลานั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั้นแนะ่ะเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาเวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความความดีที่จะเป็นสาระสําคัญภายใน จ, ใจิตใจจะได้ตั้งรากตั้งฐานในภพชาติต่อไปหากยิ่งใหญ่ยังไม่สิ้นเม่อยิ่ยงใหญได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาพเปียนอันถึง เหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นหาสมบัติดังพระพุทธเจา้าท่านตัดรู้ก็คือตัดสุถ้สถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุ ก, กับรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเรียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเกิดและตายแต่แล้วเกิดจนตัวเองก่อนับไม่จบไม่สิ้นไม่สามว่าจะนับได้ยังไง เหมือนตามรอยวยัวในคอกนั่นแหละรอยวยัวในคอกมันเป็นยังไงมันวกมันเย็นมันสับมันสนบุนไปหมดตื่นไปที่ไหนมองไปงไหนมีแต่รอยวัวมันเต็มในครอบเพราะมันเหยียบย่ า, ย า, ยายไปมาจนแหลกไปหมดไปสักรอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข่าพอมอยู่ในครอบนี่แหละความเกิดความตายมันซ้ำซ้ำซากๆมันอยู่อย่างนี้ตอลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่ แล้วความว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสดาเหตุของเกิดความตายแล้วคําทั้งความดำทัำำ้งลำต่างนันก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแหงทุกข์แห่งธาตุว่าเราจ ะ, จะเกิดในอันใดสถานที่ใดอยู่ตามนัเรื่องคนมีติเล็กก็ให้เรามีธรรม มันมีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยแต่ไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในวกชาติต่างๆความอุตสาหพยายามความอดความทนนี่แหละเป็นสมบัติอันสาคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะบุเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษความอ่อนแร ม, มีแต่เรื่องตัด สันตัวเอเรื่องโดยลำ ด, ด, ดับผลประโยชน์ที่อยู่พึ่งจะได้ไม่มีอาจารย์สอนให้ละเพราะความบน่นใดความขี้เกียจความมาง่ายมันเป็นเรื่องของเจตเด็ดทั้งนั้นมันจะเรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้ตรงกันข้ามเพีเดียวทำเพื่อจ้ายบ่นใดบ่นใดก็ดีนี้แต่สอนให้มีความพิจิตพิจารณาสอนให้มีความขยนันหมั่นเพียร นักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลาบากแค่ไหนก็ตา่างพยายามทําไปดูดังนั้นน่หละทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่าร้อนนักหนาวนักมีเเกียจสายนักเช้านักดึกนักไปท่านไม่ยอมาะนัน่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจ ว่าหาเรื่องนั้นถ้าจะไปทางที่ดีจะทําของดีจะทําความดีมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นขวาบเป็นหนามกั้นทางตัวเดียวไว้หมดหาทำไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามนีน่นั่นแหละเนี่ยตอนจะนอนจมหนามไม่คิดนี่เอาแต่ความสบายความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพรความสะดวกนี่ไม่ได้คำหนึ่งนกกับกล่าวท่านชา้าสกติปัญญาพิจารณาคาดหน้าข้าดหลัง ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่านบุกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่นเนี่ยสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครไปยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดีจะทําคนเพลินก็ทําได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ยตายแล้วมันทําไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก้ในะเวลามีชีวิตนี้อย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้ พยายามแก้ไแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจารรพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระจิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระทั้งเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายไม่มีใครมากดขี่บางคาบเรา จิตใจที่มีอิสระก็ยิ่งหาสุขสบายยิ่งกว่าน้อยเท่าพันทียเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้อืใครจะต้องการเป็นบ่อยใครจะต้องการเป็นท่าของใครแต่เวลาเป็นท่าของกิเลสเราไม่ค่อยจะคำหนึ่งจึงต้องติดอยู่ในหองอกกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นจึงเห็นกิเลสไม่เป็นข้าศึกแล้วต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระ ตัวเอมาต่อสู้มาหยุดม่ถอนวิเวณมันจะมีมากน้อยเกินไปมันก็สลายตัวไปได้เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทำลายแต่ก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาใจเป็นอิสระแล้วมันอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่อะไรจะสมายยิ่งกว่ความเป็นอิสระของใจาศาสนาธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโอ้มาโดยลำดับลำดับ ถาว่ากว้างก็กว้างทําถ้าว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทําดีทำชั่วคนดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมดอันอย่งว่ามคุพันธ์ธรรมธรามาทําเป็นใหญ่ทําเป็นประธานทําเป็นย้าคันอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้ จิต ใ, ใจมีความสว่างสวยัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ปี ก, กันร่างกายมืดตื้อทำธาตุหยาบของมันแต่ใจสว่างกระจากก่างแจ่มตามธาตุแห่งธรรมนี่จิต ก, กลายเป็นธรรมธาตุภายในใจยึงเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวยัยภายในตัวแต่ ถอดถอนมณฑลมิจฉาล่างทณฑลหมดสว่างเป็นที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านัาน้นที่เหนี่ยน่ามากที่สุดครอบไปหมดโลกธาตุไม่เลยคำหนึ่งว่าใกล้ไกลเป็นไปหรือใกล้เป็นไปพอดีตลอดเวลาด้วยความอ่อนความนิ่งมนวลของจิตจิตพ้นจากกิตเรียนแล้วนิ่งจนหาที่ฟูไม่ได้อ่อนจนหาที่ฟูไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุ สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอันทั้งเรียกว่าอะโลโกอุดไพรความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี <c> ่ <oughs> หมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสําคัญอยู่ที่นี่พยายามปกเรื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ ตามกําลังความสามารถข อ, องเราจนกระทั่งสุดความสามารถทุถนั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจภาอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความมือศึกแห่งใจขอให้นำไปพิพจรารณา กา a แสดงคำประชดเหมาเกิดเวลาวิธี่าน